อุทัยธานีแผ่นดินพระบรมมชนกนาฏในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งปฐมบรมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีณแผ่นดินธรรมแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งของวัดโบราณแห่งหนึ่งซึ่งมีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีพุทธาวาตนี้ เรียกกันในยุคสมัยนั้นว่าวัดจันซึ่งเป็นชื่อของเจ้าอาวาสองค์หนึ่งต่อมาเมื่อราชธานีสีอายุทยามีภัยจากการลุกราณของประเทศเพื่อนบ้านวัดแห่งนี้ก็กลายเป็นวัดร้างจนถึงปี 2,332 หลวงพ่อใหญ่ซึ่งเป็นพระธุดงค์ได้มาปักกรที่วัดนี้ ชาวบ้านจึงนิมนต์ขอให้ท่านเป็นสมภารช่วยทนุบำรุงบูรณะพระอารามขึ้นมาใหม่เดิมบริเวณวัดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสแกกลังต่อมาภายหลังได้มีการก่อสร้างอาคารต่างๆมากมาย ซึ่งการขยายอนณาเขตของวัดแห่งนี้เนื่องด้วยพระราชพรมยานเถระหลวงพ่อฤาษีลิงดำวีระถาวโรอดีเจ้าอาวาสซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาแก่มหาชนได้ดำริขึ้นและได้รับแรงศรัทธาจากสาธุชนร่วมแรงบริจาคทรัพย์จตุปัจจัย บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะและสร้างพระอุโบสถตลอดจนอาคารต่างๆอย่างมากมายทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญศาสนธรรมวัดจันทรารามหรือวัดท่าซุงแห่งนี้ เป็นสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์เถระท่านหนึ่งที่สมควรได้รับการเคารพสักการะบูชากราบไหวจากบรรดาพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปด้วยพระเถระท่านนี้เป็นพระสงฆ์ที่ถึงพร้อมด้วยสุปฏิปันโนคือเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สมกับเป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่28มิถุนายนพุทธศักราช2460ตรงกับวันขึ้น9ค่าเดือน8 ปีมะเส็งตามใบสุทธิเดิมชื่อสังเวียนเป็นบุตรคนที่สามของนายควงนางสมบุญสังสุวรรณเกิด ท, ที่ตำบลสาลีอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวมห้าคน เมื่อวัยเด็กในพุทธศักราช2466เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลวัดบางนมโคอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนจบชั้นประถมปีที่สี่ต่อมาในปีพุทธศักราช2475ได้เข้ามาอยู่กับท่านยายที่บ้านหน้าวัดเรไรอําเภอตลิ่งชันจังหวัดทนบุรีในสมัยนั้น และได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณครั้นถึงปีพุทธศักราช2479ได้เข้ารับราชการเป็นเพศัักรทหารเรือสังกัดกรมการแพทย์ทหารเรือเข้าเขตกาสาวพัฒ์หมูนเหตุของการบวชก่อนบวช หลวงพ่อมีเจตนาคือไม่บวชตามประเพณีพอครบอายุบวชก็บวชก่อนที่จะบวชหลวงพ่ออยากหาอาจารย์ต่อวิชาความรู้ให้ตามที่ตัวเองต้องการขณะนั้นหลวงพ่อรับราชการเป็นทหารเรืออยู่ได้ไม่นานคุณหลวงสุวิชานซึ่งเป็นแพทย์ได้นิมนต์หลวงพ่อปาน วัดบางนมโคไปเทศที่กรมแพทย์ทหารเรือหลวงพ่อปานท่านเทศเรื่องนรกสว ร, ร์การเห็นผีเห็นเทวดาพอเทศจบหลวงพ่อปานท่านถามว่าเรื่องที่เทศมานี้มีมมใครไ ม, ไม่เชื่อบ า, นบานคนอื่นเขานั่งกันเงียบแต่หลวงพ่อยกมือสุดแขน หลวงพ่อกลาบเรียนว่าไม่เคยเห็นต้องเห็ น, หน ถ, ถึงจะเชื่อหลวงพ่อปานเลยบอกคาถาให้บทหนึ่งสั้นๆสี่คำให้ทุกคนภาวนาเป็นที่อัศจรรย์มากเพราะไม่ถึงสามนาทีทุกคนก็เห็นผีหมดเดินไปเดินมาในห้องประชุมนั่นแหละหลวงพ่อปานท่านถามว่า อยากเห็นแบบนี้เป็นปกติไหมหลวงพ่อบอกว่าอยากเห็นหลวงพ่อปานท่านบอกว่าถ้าอยากเห็นจะสอนให้แต่ต้องบวชท่านเลยตกลงบวชในปีพุทธศักราช2480ขณะนั้นมีอายุได้20ปีบริบูรณ์ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2480เวลา13นาฬิกาณวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพระครูรัตนาพิรุ